ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัดคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้การสององค์เวลาดึกสงัดท่านกําลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหน เดินต้วมเ่ียมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิท่านและเดินตรงเข้ามาหากุฏิท่านแต่เผอิญกุฏิด้านหลังมีมาหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฏิจนถึงกรดและมุงบนศีรษะท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูรลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาด จนกรดละมุงไหวไ g r a ไปมาและเย็นไปถึงศรีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริการพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุโทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลาสองชั่วโมงเร็ศษและคงยืนดักนิ่งอยู่ทํานองนั้นราวกับจะคอยตะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้น นานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมงคลครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุติแล้วเอางวงล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฟ้าบาดออกมากินเสียงเคี้ยวดังกลุม้มๆอย่างอร่ อ, รอยท่านจึงนึกว่าทีนี้มะขามสําหรับขัดฟ้าบาดเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอน ถ้าหลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวมได้คว้าถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฏิเราครานี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอยากเรื่นั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้างเพราะสัตว์พันนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้ว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 มายืนแอบโคลนต้นไม้หน้ากุติแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำสองคาขอพี่ชายจงฟังคําของน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมาทุพพาสิทธิกับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าน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 ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เรามนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตาย พี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อไปนี้พี่ชายจงรับศีลห้าน้องเป็นพระจะให้ศีลห้าแก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลาดับ ดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เคี้ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่หนึ่งปานาอยากฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกาลังการกระทาของตน และอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อสองอาทินนาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของห่วงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคียวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฟ้าบาทแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อยากกินอย่าเหยียบย่าทาลายมันเป็นบาป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 สุราอยากกินของมืนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทามากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลาบาก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 จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิมหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำมัทธุพาชิตที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอาจพูดได้อย่างนั้น ฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามปราสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วยอมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืน ใจราบซ้านไปด้วยปิติความพอใจใยดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอพูดยอเสียจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวาน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 ไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปเสียเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มงคลเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้ องท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป